อาจารย์คนหนึ่งนะก็มีชื่อเสียงพอสมควรเขียนหนังสือหลายเล่มวันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายนะในหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคนก็มาฟังกันเยอะนะหลายร้อยคนเลยทีเดียวระหว่างที่มีช่วงนี้าจา์บรรยายเสร็จก็ยังไม่เสร็จดีนะก็ดิบหนังสือที่ตัวเองเขียนเนี่ยมาอ่าน เป็นข้อความที่ตัวเองนี่ตั้งใจเขียนมากแล้วคนก็ชมว่าเนี่ยเขียนได้ไพเราะระหว่างที่อ่านข้อความเนี่ยจากหนังสือที่ตัวเองเขียนเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่นั่งอยู่แถวหน้าสุดเลยลุกขึ้นยืนวิทยากรคนนี้ก็สะดุดใจเพราะว่าเหมือนกับว่ามาขัดจังหวะแล้วก็นึกในใจเอ๊ะเราพูดอะไรผิดหรือเปล่านนเนี่ย ระหว่างที่อ่านข้อความจากหนังสือก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นด้วยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินออกจากห้องไปนยอย่างรวดเร็วผู้บรรยายก็เริ่มไม่สบายใจแล้วแล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าทำไมเขามีกิริยาแบบนั้นในใจก็อดคิดไม่ได้นะไม่มีมราร ย, ยาทเลยนะ ไม่ฟังเราให้จบซะก่อนก็ลุกขึ้นออกจากห้องประชุมไปซะละระว่างที่อ่านข้อความจากหนังสือของตัวเนี่ยก็ใจก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นก็ผู้หญิงนนั้ น, นเดินออกจากห้องประชุมไปแล้วก็ไปหยุดตรงโต๊ะขายหนังสือหน้าห้องประชุม ตอนนั้นนี่ก็วางหนังสือที่ตัวเองเขียนนะนำมาขายหลายเล่มแล้วก็เห็นว่าเนี่ยพื่คนนั้นกำลังซื้อหนังสือที่ตัวเองเขียนอยู่ก็เลยดาวว่าเนี่ยที่เธอเรียบออกไปจากข้อประชุมเนี่ยก็เพื่อรีบไปซื้อหนังสือของตัวเนี่ยพราะเกรงว่าถ้ารอให้บรรยายเสร็จ หนังสืออาจจะหมดก่อนก็ได้ทราว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เดินกลับเข้ามาที่ห้องประชุมพร้อมกับถุงหนังสือถุงใส่หนังสือนะถุงใหญ่เลยแล้วก็มานั่งฟังอาจารย์คนนั้นบรรยายต่อก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่ตัวเองเนี่ยไปต่อว่าผู้หญิงคนนั้นในใจเนี่ยว่าเนี่ยไม่มีมารยาทไม่สนใจคําบรรยายของชั้นเนี่ย ที่จริงเ่ไม่จริงเลยนะผู้หญิงคนนั้นสนใจมากนะถึงกับนะรีบออกไปซื้อหนังสือเพราะกลัวว่าถ้ารอให้บรรยายจบก็จะซื้อหนังสือไม่ทันหนังสือจะหมดซะก่อนเัาก็เลยรู้ว่าเนี่ยที่ตัวเองไปตัดสินผู้หญิงคนนั้นว่าไม่มีอารายญาติน่นะมันเป็นการด่วนสรุปนะ มีผู้ชายคนหนึงนะขี่มอเตอร์ไซค์ถนนนี่ก็เป็นถนนที่เรียบไปตามไหล่เขาแล้วก็มีแค่สองเลนนะข้างหน้าเนี่ยเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่รถพ่วงอะนะรถพ่วงเนี่ยมันก็ปกติก็ขับช้าอยู่แล้วนะมอเตอร์ไซค์ก็พยายามแซง พยายามแซงขวาแต่ปรากฏว่ารถพ่วงเนี่ยก็พยายามกันไม่ให้หมอเตอร์ไซค์เนี่ยแซงขวาคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่พอใจนะหงุดหงิดขึ้นมาเลยทำไมมันมารยาทซาแบบนี้นะตัวเองขับชาแล้วยังกันไม่ให้ตัวเองนี้แซงอีก แต่สักพักเนี่ยก็เห็นรถบรรทุกคันใหญ่เลยนะแล่นสวนมาที่จริงเห็นมาแต่ไกลแล้วนะโอ้มันกำลังจะแล่นมาตรงเลนที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจจะแซงพอดีและเ้อเกิดตัวเองแซงไปตอนนั้นเนี่ยโดยที่ไม่ทันเห็นรถสวนมานี่ก็คงจะเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะ ก็เลยรู้ว่าเนี่ยรถพ่วงคันหน้าเนี่ยที่เขาพยายามกันไม่ให้หมอเตอร์ไซค์แซงเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะต้องการแกล้งนะแต่ต้องการช่วยที่กันเนี่ยเพื่อไม่ให้หมอเตอร์ไซค์แซงขวาเพราะถ้าแซงขวาแล้วก็ไปเจอกับรถที่สวนเข้ามาก็เป็นรถบรรทุกด้วยนะกินเลนเนี่ยเต็มเต็มเลนเลย คงจะหนีไม่พ้นถ้าไม่โดนชนก็ลงเขาไปเลยนะหนีเลี่ยงหลบรถก็ต้องลงเขาไปเลยถ้าเลี้ยวขวาก็ลงเขาถ้าเลี้ยวซ้ายก็ชนกับรถหรือประสานงานกับรถที่ตัวเองเพิ่งแสงเข้ามาก็เลยขอบคุณนะรู้สึกขอบคุณคนขับรถพ่วงคันนั้นนะ เนีเพอด่าในใจนะว่าเนี่ยมันเห็นแค่ตัวมันไม่มีมารยาตแต่ที่แท้นี่เขามีน้ำใจเขาต้องการช่วยเราด้วยการกันไม่ให้เราเนี่ยแสงเพราะถ้าแสงนี้ก็อาจจะถึงตายได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่ที่แถวใกล้ศูนย์การค้าจู่ๆก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย อยู่ห่างยู่ตัวเองสักห้าหเมตรได้ทำสีหน้าเึงหมึงถึงใส่ตัวเองไอ้ตัวเองก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นนะแต่พอเห็นสีหน้าอังเธอแล้วเนี่ยท้าทำให้เป็นมิตรเลยก็เลยไม่พอใจว่าทาไมนี่มาทำหน้าแบบนี้ใส่ฉันโกรธอะไรฉันเหรอเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ที่จริงผู้หญิงคนนั้นนี่เขไม่ได้โกรธเธอนะเขากําลังโกรธคนข้างหลังเห็นหนุ่มชายหนุ่มแฟงตัวนี้กําลังจะไปกําลังไปพูดไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ว่าสองคนนั้นน่ยอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนแรกเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้นะว่าที่จริงเนี่ย มันมีสองคนอยู่ข้างหลังพอดีเลยก็เลยไปคิดว่าผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยไม่พอใจตัวเองเนะที่จริงไม่ใช่ เ, เขาไม่พอใจคนที่อยู่ข้างหลังตัวเองเนี่แต่ก็เผลอตําหนิหรือต่อว่าเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่รู้จักกันทําไมมาทําหน้าตาแบบนี้กับฉันแนละ้วเธอดีตรงไหนนะมาทําหน้าแบบนี้กับฉันเนี่ยด่าว่าเขาไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่เขาไม่ได้โกรธอะไรเธอเลยแต่เขาโกรธชายหนุ่มที่อยู่ข้างหลังเธอนะแล้วก็โกรธผู้หญิงนะที่กําลังจีบกันด้วยนะะทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่างกรรมต่างวารานนะแต่ว่ามันเหมือนกันอย่างนึ่งนะคือว่าไอ้ความจริงเนี่ยกับความคิดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะ เห็นภาพภาพหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเราไปด่วนตัดสินนะว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีมารยาทเลยนะลุกจากที่นั่งนะไม่ฟังคำบรรยาย้องไร้จบเนี่ยดีนะแค่แค่คิดในใจนะถ้าเกิดว่าตะโกนด่าไปเลยนะว่าเนี่ยทำไมไม่ฟังชันให้จบลุกจากที่นั่งไปทำไมนะไปด่าว่าเาแล้วเนี่ย ก, ก็เกิดเรื่องเสียหายขึ้นมาเพราะที่จริงเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่เคารพนะ เขาเคารพมากเลยเพราะเขาอยากจะไปซื้อหนังสือของวิทยากรคนนั้นก่อนที่หนังสือมันจะหมดซะก่อนนะหรือถ้าเกิดว่าไปบีบแต่ดาคนขับรถเทรลเลอร์ที่ขวางอยู่ข้างหน้าหรืออยากจะเอาชนะเขาเขาไม่ต้องการให้แซงก็แซงซะเลยก็อาจจะถึงตายได้นะ บางทีสิ่งที่เราเห็นข้างหน้านี่กับความคิดของเรานี่มันไม่มันไม่ได้ไปด้วยกันความจริงกับความคิดของเราเนี่ยบางทีมันต่างกันมากทั้งสามเรื่องนี้มันเชื่อแล้วนะว่าคนเรานี่อย่าไปด่วนสรุปนะถ้าเราด่วนสรุปแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายบางทีมันมีความคิดขึ้นมานี่ก็อย่าพิ่งไปเชื่อนะอ่พึ่งไปเชื่อความคิดเพราะว่า มันนาจความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะ แ, นแล้วคนรานี้ถ้าว่าเชื่อความคิดง่ายๆนะั้นต่อไปมันก็เชื่ออะไรต่ออะไรง่ายนะที่คนเนี่ยถูกแกล้ง call center หลอกทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เพราะเชื่อง่ายนะแกล้ง call center หลอกว่าเป็นข้อความจากธนาคารบ้างแล้วจากการไฟฟ้าบ้างและ้ะจากที่นั่นที่นี่บ้างแล้ว ให้กดลิงก์นให้กดเบอร์ก็เชื่อไม่ทันไต่ตรองบอกว่าเสียเงินกันไปเป็นแสนเป็นล้านที่เชื่อง่ายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณหันพันแล่นและเป็นเพราะนิสัยที่สะสมมาคือเชื่อความคิดง่ายเกินไปพอเชื่อความคิดตัวเองง่ายเกินไปต่อไปก็เชื่อข้อความต่างๆที่เห็นง่ายโดยที่ไม่ไต่ตรองเสร็จแล้วก็เสียหายนะ เสียเงินมากมายเนี่ยอันนี้เพราะฉเนี่ยต้องด่วนอย่าเพึ่งด่วนตัดสินอย่ยวพิ่งด่วนสรุปนะอย่าเพิ่งเชื่อความคิดมากรู้จักจับยังชั่งใจนะคิดเผื่อในทางอื่นไว้ก่อนไม่งั้นนี่ก็จาจจะไปก่อความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าเกิดความเสียหายกับตัวเองได้